ข อ, อความสุขความเจริญจึงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายยึงทาจากมาวิทยายสศปปะถุมในวันนี้คงพูดเรื่องยันยสูตรคือสูตรที่ว่าริการบูชายันต่อไปคือวันก่อนนั้นได้พูดท้าวความปฐมเหตุที่ให้เกิดประสูรนี้ขึ้นมาก็ความเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ใน อัตกถาธรรมบทแต่ว่าตัวพระสูตรเนี่ยปรากฏในสังยุตติกายมีข้อความว่าหลังจากที่พระเจ้าเกษตรนิโกศล์ศได้เชื่อคำทํานายของพวกโหนว่าทรงมีประเคราะห์ร้ายจะประสบภัยอันตรายต่อพระองค์ต่อพระเมศีพระจรสพระจทิ ด, ดา แต่ก็ราจสมบัติซึงถ้าต้องการจะแก้ไขก็ต้องมีพิธีบูชาหมายันโดยใช้สัตว์อย่างละห้าร้อยเป็นเครื่องมือในการบูชาก็คือ มีพ่อโคห้าร้อยโกตึกห้าร้อยโคตัวมียห้าร้อยแพห้าร้อยแกะห้าร้อยรวมสัตว์ถึงสองพันห้ารอตัวพวกทานกรรมกรที่ไปทํางานเหล่านั้นต่างก็หวาดกลัวร้องให้เสียงดังจึงมีเสียงอื้ออึงทั้งคนและสัตว์พวกภิกษุก็ไปเที่ยวบินทบาตใน กรุงสาวจัจีแต่พะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ก็มากราบทูลพระผูิมีพระภาคเจ้าพระผูิมีพระภาคเจ้าได้ส่งแสดงว่าหมายันที่มีการตะเสียมมากอีกการฆ่าพแพะแกะโคและก็สัตว์ชนิดต่างๆแล้วก็ส่งจำแนกออกไปเป็นหมายันห้าประเภท เรียกอัสเมธะคือการฆ่ามา้าปริสะเมธะคือการฆ่าคนสัมมาปาสะคือโยนบ่วงออกไปแล้วก็สร้างปรำพิธีขึ้นนำนำสัตว์มาผูกกับปรำพิธีแล้วก็ทําการฆ่าไวาจะเปยะเป็นการฆ่าสัตว์เสร็จแล้วก็เนื้อมา กินกันแล้วก็ดื่มเหล้าก็เรียกว่าดื่มแก r a m เหล้าแล้วนิรักฆะบางทีในพวกนี้เขาเรียกว่าสัพพเมธาคือฆ่าหมดหมายความว่าเป็นการฆ่าทั้งคนทั้งสัตว์อกทาศีธาสาอะไรต่างๆเอามาฆ่ากันโดยจั่วไว่าเป็นวิธีการที่หาโหดรุนแรงเรื่องเหล่านี้ เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยมันเป็นเหตุผลทางสังคมจิตวิทยาคือหมายความว่ากระแสะสังคมเขาปักใจอย่างนั้นเ้าเชื่ออย่างนั้นเน่เขามีความเห็นอย่างนั้นแะแต่เขาก็ต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ทำเขาจะรู้สึกสูญเสียขวัญกำลังใจเพราะฉัวิธีการอย่างหนึ่งของพระเจ้าก็คือเลา่านิทานแหล้วคนคิดเอาเอง ถึงในชาดกได้พูดถึงพระโพธิสัตวเกิดเป็นพรามแล้วก็ไปในสถานที่หนึ่งพราะเหตุการมีการจับผู้หญิงก็เรียกว่าสาพรหมจรรยนะฮะโยนลงไปเพื่อเป็นผู้รับชใช้เทพเจ้าประจำสมุทร พรทุกปีมันก็ทำอย่างงั้นดังนั้นคนทั้งหลายในกลัวคนที่มีลูกสาวเนี่ยก็อาจจะยกเอาไปยกเคลื่อนย้ายหนีจากบ้านเมืองหรือทํำไมอย่างนั้นก็ต้องให้สินบนแก่พวกที่ไปจับเพราะเราเห็นว่าเป็นธุรกิจที่ทํากําไรมหาศาลมากบ้านใดที่มีลูกสาวจะต้องถูกข่มขู่คุกคาม จะจับไปบูชาเทพเจ้าฝนก็ต้องวิ่งเต้นแล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันก็ไหลลงข้างล่างอ่ะนะฮะอันนี้คือธรรมชาติอย่างหนึ่งของสังคมคราหนึ่ ง, งนานมาแล้วมาไปร่วมประชุมที่ทำเนียรปรัฐบาลถึงก็ที่เฉลิมฉลองอย่างนึง่แเดวในที่สุดก็ปรากฏว่า อระมาติงในกรณีที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินมาฉลองบอกว่าถ้าจะทำเนี่ยควรจะดำเนินการด้วยตัวเองแล้วก็ทาไปตามกำลังสติปัญญางบประมาณแผ่นดินนั่นควรจะใช้ไปในการพัฒนาชาติบ้านเมืองไม่ควรจะเอามาใช้ในเชิงที่เป็นเหตุผลส่วนตัวยอย่างนี้ที่ประชุมก็ไม่รู้จะว่ายัางไงก็ในสุดก็คิดจะดรียร์ มาบอกว่าการเรียไรเนี่ยต้องนึกนะฮะสมมติองค์กรสี่องค์กรต้องการจะเรียรกระทรวงมหาทไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็รงการศาสนาเวลาเีไรเนี่ยมันลงไปอยู่ข้างล่างก็เรียกว่าฐานรากของสังคม สมมติว่านายกเนี่ยนายกรในส่วนของมาไทยนั้นคือประชาชนก็คือราษฎรในสายทางการละหมก็จะเรียกว่าประชาชนในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็จะเรียกว่าผู้ปกครองในส่วนของพระก็จะเรียกว่าสาธุชนญาติโยม <S 2> <S 2> <S 2> <S 2> แต่สมมติว่านายกรมีเงินอยู่ยี่อยู่ร้อยบาทแล้วก็ ดีกาได้ไรเนี่ยมันลงอยู่ที่ตัวนายกอนายนกอต้องจ่ายหมดทั้งร้อยเพราะนั้นเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องก็ ข, ขาดคอในที่ประชุมเพราะว่าตอนนั้นก็ไปแทนสมเด็จนะฮะสมเด็จสององค์ด้วยสมเด็จพระสามพระยาด้วยตอนนั้นท่านยังไม่เป็นสังฆราชกนในที่สุดก็เลิกนะฮะกิจกรรมลอา น, นี้ก็เลยก็ทำก็ตามที่ทำกันได้ เพราะแน่ตรงนี้มันจะมีลักษณะอย่างนี้นคือหมายความว่าในสื่อก็ไล่จับผู้หญิงกันแล้จะไปไล่จับมาถึงคนหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีเงินแต่มีลูกสาวเขาได้ร้องเงินก่อนมาให้เงินก็จับลูกสาวเพื่อจะทําไปบูชานําไปบูชาเทพเจ้าประจำมาสมุดพอดีพระโพธิสัตว์ไปถึงสถานที่นั้น เป็นซักถามทราบความก็เห็นว่าเออมันไม่ชอบมาผักกล่นนะเป็นการหลอกลวงบิดเบือนแล้วก็หาประโยชน์จากความยากไร้ของประชาชนเป็นการซ้ำเติมประชาชนให้ายากไร้มากยิ่งขึ้นในสุดท่านก็ถามว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงเพราถ้าทรงเด็กผู้หญิงคนนี้ลงไปแล้วจะเป็นที่พอใจของเทพเจ้าประจำสมุทร อธิบายไม่ได้มันมีกฎเกณฑ์ยังไงอ่ะบอกผู้หญิงมีลักษณะยังไงถึงจะเป็นที่พอใจของเทพเจ้าเพราะในั้นกลก็สร้างมติขึ้นเนี่ยมติของประชาชนตรงนั้นเนี่ยเราก็ควรจะให้หมอที่ทําพิธีเนี่ยลงไปทูลถามเทพเจ้าประจำสมุดสกอร์พรที่ส่งผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยพอใจไหมถ้าพอใจก็จะส่ง ก็กระแสของมวลชนที่อยู่ดูอยู่เนี่ยก็เห็นตามในสุดก็จับตัวหมอโนโยนลงไปในมาสมุดได้แล้วก็เรียบร้อยนะไม่โผล่ขึ้นมาอีกพระพุทธศาสนาบอกเห็นไหมที่จริงเทพเจ้าประจําสมุดนั้นต้องการผู้ชายไปรับใช้ไม่ได้ต้องการผู้หญิงเพราะท่านจริงไม่ให้ผู้ชายผู้ชายที่ส่งลงไปเนี่ยหมอที่ส่งลงไปนี่กลับมาอันนี้ก็เป็นการลาบเตือน คือเตือนให้คิดหรือวคราหนึ่งมีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันแบบพระเจ้าประเสิทธิ์โกโนกุศลเดียดเลยเป็นการทํานายฝันของพระราชาพระราชาก็ตกใจบูชายันแบบเดียวกันเลยเดี๋ยบมิติบูชายันแบบเดียวกันเองเสนาบดีได้ทราบข่าวเขาว้าเสนาบดีเป็นพระโพธิสัตว แต่ทราบข่าวข่าวข้อมาสอบถามความเป็นมาเป็นไปพระราชาก็เชื่อไปแล้ว่ะนะแล้วก็เล่าถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นอันตรายโครงสร้างการพูดคุมคูในลักษณะนี้มันมีตลอดทุกยุคทุกสมัยแต่เพราะคนเรามันเกิดมาจากราคะโลภะโทสะโมหะโดยเฉพาะโมหะเนี่ยโมหะนี่มันทําให้กลัวเพราะไม่รู้ว่ามันอะไรเป็นอะไร แล้วก็ออกมาด้วยประกาศต่างๆโมหะ ม, มันปิดบังเหตุผลสติปัญญาของมนุษย์มันทำให้หลงอย่างที่ท่านอาชิตมานพลุกสิตธองพรามภาวรีที่บกคนคนแรกนะฮะมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าโลกคือมูสัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืดพระเจ้า ท, ทรงสแสดงว่าโลกคือมูสัตอันวิชาปิดบังไวจึงหลงดุดอยู่ในที่มืด เพราอวิชาจึงเป็นที่รวมของปัญหาทั้งหมดแต่เป็นสาเหตุของปัญหาและในขณะเดียวกันมันก็เป็นผลของปัญหาด้วยเพราะถ้าเรายัางขาดความรู้เนี่ยคือเราลองนึกดูภาพง่ายๆนะครับอวิชชาคือความไม่รู้วิชาคือความรู้ความรู้มันเกิดมาจากการสัมผัสคือต้องได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้ ได้จะต้องแล้วก็ได้มีข้อมูลสะสมข้อมูลตรึกนึกเดี่ยวนึกจนถึงวิเคราะห์วิจัยแต่ถ้ามันมีตรงนี้คล้ายๆกับว่านักปราใหญ่จะอยู่ในที่มืดเนี่ยกลายเป็นคนโม่ทันทีไปไหนไม่ถูกเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่เราทําอะไรไม่ได้เราเก่งอย่างไงก็ตามถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถทําอะไรได้ เพราะตรงนี้เราไม่รู้จริงๆเลยจึงไม่มีใครรู้จริงทุกอย่างนะนอกจากสับพันญยูเนี่ยไม่มีใครรู้จริงทุกอย่างดังนั้นในในกรณีนี้เราจึงมองแต่ปุโรหิตก็ด้วยความสงสารนะแกไม่รู้แต่แกต้องเอาตัวรอดเพราะถ้าเรื่องขนาดนี้ให้กับต่อแกพระราชาไม่ได้มันก็เลี้ยงเรื่อเข้าสุขล เกยก็เลยจำเป็นเพื่อเอาตัวรอดมนุษย์นี่พอถูกความตายคุกขามเนี่ยมันต้องดิ้นสุดๆฮะเพื่อจเจ้าตัวรอดให้ได้แล้วในตัวนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้อ่านเรื่องมโหสถนะฮะมโหสถเราจะเห็นว่ามีบริโภิดุสีคนไอ้นี่ก็แบบเดียวกันนะมาตั้เผ่าเดียวกันเ น, ะ น, ะนะแต่ว่าคนส่วนหนึ่งเชื่อคนเหล่านี้มาตลอด รเรศผลก็คือว่าอะไรเรียกแทงกักกนนะหมายความว่าคือจะออกหัวออ ก, ก้อยเนี่ยเขาเาถูกทางนั้นเขาไรับประโยชน์ทางนั้นในเรื่องในเรื่องที่ที่เล่าเนี่ยคือสรุปใจความเหมือนกันว่าตอนเสนาบ ด, ดีมาซักถามเนี่ยแล้วเสนาบ ด, ดีไม่เชื่อก็ไปถาม บัวโหราจาร์เนี่ยฮะตัวเป็นปรุหิตบอกว่าไอเหตุผลที่ตีต้องให้ประชาบชานเนี่ยมันจริงอย่างนั้นนะคี่บอกว่าจริงอย่างนั้นพอประชาชาชะตาขาดแล้ถาม่าคุณอ่ะโอ้ผ ม, มาอายุยังยืนอีกนานชักดาบขึ้นมาตัดคอเลยหัวมันจะขาดมันยังไม่รู้เลยมันรู้เรื่องก็ดืนได้มากมายขนาดนี้ แลสุดปรปกราบทูลพระราชาบอกมันโกหกอายุมันจะขาดแล้วมันยังไม่รู้เลยว่าหัวมันจะขาดแต่มันบอกพระองค์ชะตาจะขาดตนผมไม่ต้องบูชาไม่มีอะไรมันเป็นการโกหกหลอกลวงของพวกที่ต้องการผลประโยชน์ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟั ง, น, งกนก่อนนั่นแหละหรือมายความออกหัว อ, อ ก, ก้อยในพวกนี้ได้แตงนั้น และนั้นพระเจ้าประเสริฐที่กุศลไปทําพิธีอย่างนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจึงเตือนแบบนิ่มๆแต่ตอนนี้เป็นการรับสั่งให้สติแก่พิกษุเพราะว่าพิสุเหล่านั้นก็เป็นพราหมนะฮะเคยเกี่ยวข้องกับพวกพิธีบูชายันกันมารับสั่งว่าหม้ายันเหล่านั้นเป็นยันไม่มีผลมากไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่มีผลเลยนะคื อ, อยันลืมว่าอะไรก็ตามเราอย่าไปเสดรอยเปอร์เซ็ต์ไปเสดไม่ได้ คือบางทีเราเราพูดอะไรแข็งกล้าวเกินไปนะฉันว่าปฏิเสธพระเครื่องปฏิเสธเวทบนคาถาอะไรต่างๆมันร้อยเอร์เซนนี่ยมันไปเสียดไม่ได้เพราะมันเป็นขวัญกำลังใจก็อย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงปรารบเรื่องอักขิทัศปุโรหิตนะอักขิทัศนปุโรหิตมีพฤติกรรมแบบเดียวกับท่านปุราณะชินคือความเชื่อลัทธิเดียวกัน อดีตเขาเป็นปุโรหิตของพระเจ้ามาหาโกศลพ่อของพระเจ้าประสิทธิโกศลพอ พ, อพระมาหาโกศลที่บวงคตพระเจ้าประเสิทธิโศลซึ่งเป็นลูกขึ้นเสวยราชท่านก็เห็นว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลจะอจึดอัดเพราะว่าท่านเป็นคนรุ่นครูบาอาจารย์ก็เลยลาเอาไปบวชควาเพี้เพียนแบบเนี้แบบ อ, อ, อาบน้ําขนทรายจุดไฟผิงไฟ กำนัดกับกำกับควบคุมความกำนัดในทางเพศด้วยวิธีการทรมานตนพระเจาทรงแสดงว่าคนพอถูกมณัยคุกคามจะดิ้นรนเพื่อแสวงหาชีพึ่งอาจจะเป็นภูเขาไอาเป็นต้นไม้จอมปลวกลอมฟางแม่น้ำลาคลองไอสารหะะพัดฮะพวกนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ทั้งนั้นสำหรับคนบางพวก เพืข่าวคราวบ้านเราที่ตื่นเรื่องอะไรต่างๆแปลกๆสุนักห้าขาต่างๆไอ้โคสองหัวสารพัดฮะคนไทยตื่นได้ทท้งนั้นแต่ไม่ใช่ทุกคนคือคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะตื่นในเรื่องน้แล้วก็หวังพึ่งนะฮะคือตื่นด้วยความหวังพึ่ง แล้วเข้าใจว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้กราบลูกสุนัขบ้างไปไหว้กราบโคบ้างไปไหว้กราบซากสัตว์ต่างๆในสารพัด ต, ต้นไม้จอมปลวกอะไรพวสารพัดเหมือนกันเห็นไหมมนุษย์ไม่ได้พัฒนาไปไหนมนุษย์อยู่ที่เดิมเพราะมันมีวุฒิภาวะระดับนี้แหละมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งแต่เราเข้าใจมนุษย์แล้วเนี่ยมันไม่ต้องเครียดอะไรครับคือมองเขาด้วยความ เข้าใจเห็นใจให้อภัยอดทนแล้วรอคอยรอคอยวุฒิภาวะเขาแล้วบางเรื่องเนี่ยต้องค่อยๆพูดกันอาจจะใช้เวลานานหลายครั้งคุยกันเล่านิทานค่อยๆซึมลึกเข้าไปนะจิตใจกัดกร่อนไปเรื่อยๆแบบน้ําหยดลงหินหยดไปเรื่อยๆเอาครุมราไม่ได้หรอก เพราเาเห็นว่าคนส่วนใหญ่นีิชอบแบบโครงครามหรือแบบปฏิเด็จ ก, การแบบสั่งการแต่ลืมไปว่าคนที่ชอบปฏิเด็จ ก, การชอบสั่งการน่ะคือคนที่อ่อนแอคุมตัวเองไม่ให้สั่งการคนอื่นไม่ได้เราดูว่าเราเก่งนะฮะที่จริงพวกปฏิเด็จ ก, การพวกกลัวนะเป็นพวกกลัวแล้วก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสอย่างที่โบราณพูดนิชัดเจนว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมา หมายความว่าที่เรายอมแพ้ต่อคนซึ่งรู้อำนาจแก่กิเลสเนี่ยก็แสดงว่าเราเข้มแข็งคือเอาชนะกิเลสไม่เหมือนเขาซึ่งแพ้กิเลสทีนี้ถ้ า, าชนะก็แสดงว่าเราไม่ได้ทําเองอะ่ะมันมานทําอ่ะกิเลสสมานมนทํากิเลสสมานสั่งให้ด่าสั่งให้ฆ่าสั่งให้ลักสั่งให้จุดฆ่าอาจารย์แะเตรอว่ากันไปเยอะไหม แล้วเรามองในมิติมิติของธรรมชาตินะเราเข้าใจแบบธรรมชาติคนทั้งหลายลุนแล้วแต่หน้านาเห็นใจแล้วก็หน้าให้อภัยพระเจ้าประเสริฐนิโคสลก็มาถึงชั้นกุชายันอย่างที่เล่าให้ฟังวันก่อนนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มพิธีพระเจ้ารับสั่งว่า ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่พระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ผู้ดำเนินปฏิปทาอันชอบย่อมไม่เข้าไปกล้ายย่ำนั้นทรงปฏิเสธในระดับที่มีผลน้อยคือมีผลไปมากมันเหมือนกับการถึงภูเขาต้นไม้จอมปลวกลองฟางสารพระภูมิอะไรต่างๆเนี่ยพรเจ้าบอกว่าเนตังโขสรนังเขมงังนั้นไม่ใช่สณะอันเกษม เนตังสะนะมุตธรรมนั้นไม่ใช่สะนะอนุดมเนตังสะนะมากับมาสั บ, บปะรดหาพมุติจิติคนถึงสิ่งนั้นเป็นสรนะคือเป็นที่พึ่งแล้วไม่สามารถหลุดพน้นจากทุกขั้งปวงนะทุกขั้งปวงได้ทุกบางระดับมันพ้นได้นะครับสร้างอุปาทานขึ้นมาก็พ้นได้เรื่องมันเรื่องเนี่ยจนว่าคนเคย ไม่ไม่เห็นเองนะฮะไอคนเขาเล่าที่เกาะยอที่สงขลานานแล้วสมัยเป็นเด็กเด็กไอวาระบาดไอวาระบาด ท, ที่เกาะยอคนในฝั่งเนี่ยคนคนในสงขาเนี่ยไปที่เกาะยอไปเจอไอวากระบาดแล้วตัวเองก็เกิดไปกินอาหารแล้วก็ติดเชื้อไอวาเรียบลงเรือเพื่อจะเล่นใบนะฮะทั้งเล่นใบทั้งแจวอะเล่นใบเป็นหลัก ปรากฏว่าคนอื่นลั่นไม่เป็นแต่ตัวไอตว้ตัวตัวตัวกัปตันนะ่ะมันถูกไอว่าเล่นงานเกณฑ์เรือหมุนไปหมุนมาทําอะไรไม่รู้ตกใจลุกขึ้นไปถึงก็บินเองเลยนะฮะแล่นใบเรือ เ, เองเลยไปถึงฟังปรากฏว่าหายไปแล้วไอเนี้ยมันเกิดเป็นฝันเป็นกวามังใจขึ้นมามันเกิดพลังข้างในขึ้นมาไอว่าก็คงยังไม่แรงอนะฮะก็หายได้ หรือว่าบางครั้งเราดีใจเนี่ยตัวลอยได้หรือว่าตกใจเนี่ยกดโดดจากที่สูงโดยไม่เป็นอันตรายได้เป็นต้นภายในตัวเราก็ภายานย์เราก็มีพลังในตัวเราเนี่ยก็มีพลังอะไรอยู่ที่ถือว่าพิเศษแต่ว่ามันต้องสุดๆนะครตกใจสุดๆดีใจสุดๆกลัวสุดๆอะไรเนี่ยแล้วมันจะออกมาหรือซึ้งงบสุดๆคือดีสุดๆกับเรียนสุดๆเนี่ยฮะมันก็ออกมาได้ รับสั่งว่าส่วนยันใดมีการตะเตรียมน้อยไม่มีการฆ่าแพะแกะโคและสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งบุคคลผู้บูชาสืบสกุลทุกเมื่อเขาเรียกว่าอนุยันคือยันตามสกุลฮรัแต่ครังลองสังเกตว่าพิธีขยาศาสตร์มีทิ่ยภักกลางแต่พิธีงานเดือนสิบเนี่ยขนมพองขนมลาอะไรต่างๆมันมีทิ่ภ์ักไ้ ระเลงใหญ่ที่สุดคือนครศรีธรรมราชจะถามว่า ท, ทาไมอ่ะเพราะนาครศรีธรรมราชเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงก่อนเราสร้างกรุงสุโขทัยเพราะนั้นไอ้ประเวณีเหล่านี้มันมันก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าก็สมัยนั้นก็ถือว่าเป็นมหานครรัฐนะครก็คล้ายเมืองหลวงมันคล้ายๆประเทศเลยซ้ำไปมันไม่ใช่คล้ายคเมืองหลวงเพราะว่า จังหวัดแต่ละจังหวัดมันเป็นนครรัฐอ่ะไม่ขึ้นแก่กันแบางทีก็ขึ้นบางทีก็แข่งเมืองก็ต่อสู้กันไปแบบประเทศอินเดียเราเห็นว่ามีแคว้นใหญ่สิบกแคว้นมีแคว้นเล็กอีกห้าแคว้นรวมแล้วก็ถึงยี่สิบเอ็ดแควนมันขึ้นต่อการบ้างมันขึ้นต่อการบ้างเพราะงั้นการ บูชาต่างๆเนี่ยมันบางชีมันเป็นธรรมเนียมอย่าพัฒนาการชิงเปรดที่จริงชิงเปรดสมัยมาเป็นเด็กๆนี่เคยเห็นและตอนเราโตเป็นวัยรุ่นนีเราไม่เห็นแล้วตอนนี้เขาดึงกลับมาดึงกลับมาเป็นพิธีชิงเปรตมาเห็นเป็นเด็กพอจำความได้ในสักปีสองปีบ้างเคยเห็นแล้วตอนต่อมาเราก็ไม่เคยเห็นอีกเลยเวลานี้ก้าวหน้าไปเยอะ นี่ก็แสดงเห็นว่าเป็นอนุยัญตามสกุลที่แน่นอนที่สุดคือดึงมงสาคณาญาติเข้าไปอยู่ในที่เดียวกันได้พบปะได้สังสรรค์กันเด็กโตขึ้นมารู้จักญาติพี่น้องแล้วก็ร่วมกันทำนะฮะปล ก, กโดยเฉพาะลานี่ททำยากมากเกิดน้ลาีิทำยากมากใช้คนเยอะ ก, ก, ก็คนก็ช่วยเราจะเห็นว่าเป็นสามัคคีรถสร้างสรรให้เกิดสามัคคี อนุ ญ, ญาตฮะเป็นยันตามสกุลเช่นว่าขนมทำเนียมประเพณีการทําบุญเดือนสิบพิธีสงฆ์การอะไรๆต่างๆ ม, มันก็ยันอย่านั้นฮะแต่ยันตามสกุลเราก็ทําต่อกันมาหรือว่าครบรอบวันตายของพ่อแม่เราก็ทําบุญนุทิปกุศลไปให้อย่างได้วัดประวอร์เนี่ยรอบวันสิ้นพระชนสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเราก็ทําบุญถวาย สมเด็จรามณ์กรมพญาปเวเรศเราก็ทําบุญถวายแล้วก็สมเด็จสังราชเจ้าเราก็ทําบุญถวายเ ป, ปีหนึ่งเนี่ยวัดประวัต้องทําบุญอุชิตบุรพาจาร์เนี่ยสี่ห้าครั้งนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็พระเป็นหลักคือกรรมการวัดสิบรูปเป็นจะเป็นหลักญาติโยมก็สนับสนุนตามที่เขาสนับสนุนได้ก็ไม่ว่าอะไรกันอันนี้เป็นยัน์ตามสกลุล บางที่เราก็มีส่วนที่วัดวรวนั้นมีพิธีแปลกอย่างหนึ่งคือตอนวิสาขาบูชาเนี่ยเขาเรียกว่าไหายครูปัททยายไหว้ครูปัชชายอาจารย์เนี่ยนะแต่มาก็ไม่ได้ร่วมมาหลายปีแล้วก็ยี่สิบกว่าปีเพราะว่าต้องไปอยู่ที่ท้องสนามหลวงนี่คือแดนกว่าจะเข้ามาได้ก็ดึกอันนี้ก็คือก็คือค อ, อนุญาตยันตามสกุลยนยันตามสกุลทีนี้รับสั่งว่า ผู้มีปัญญาควรบูชายัญนั้นยันนั้นเป็นยัน์มีบุญมากเมื่อบุคคลบูชายัญนั้นนั่นแหละความย่อมมีแต่ความดีไม่มีความชั่วเลวซามยันก็เป็นการอย่างไพ่บุญเพราะและเทวดาย่อมเลื่อมใสเออข้อนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่ารูปแบบพิธีกรรมต่างๆมันเป็นยังไงแต่ว่า ในของเราปุบุญญาวัตถุนะในบุญญาวตัตถุพวกปฏิทานใหม่พวกวิยาวจาัจจะใหมนะขนขายในกิจการงานที่ชอบแล้วพวกปฏิทานใหม่คืออุชิต ส, ส่วนกุศลแล้วก็ปตานโมธนาไมพวกนี้ก็ก็มีลักษณะเป็นยันไรกันแล้วก็มีพวกพรีกรรมทั้งหลายเนี่ยพวกเทวตาพลีเอ่อพวก บูชาอะไรสงเคราะห์ญาติอะไ ร, ต, รต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่ายันแต่ละอย่างเนี่ยมันมันไม่ได้หมายว่ามาต้องบูชายันคือยันในในความหมายของเขาก็ที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยความหมายต่าง ก, กันของพระเจ้าเน้นไปที่การทําความดีการทำความดีแต่นี้ก็ฆ่าสัตว์ต้องท่ายอ่องพันห้ารอตัวมันก็ จะมีผลมากไม่ได้แต่ก็มีผล น, นะะฮะมีผลอยู่ระดับหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้เงินได้ทองได้สตางค์กันเยอะทีนี้ประเด็นเรื่องยันทั้งห้าประการเนี่ยท่านอาธิบายว่ามันเป็นราชสังะหะแล้วพระเจ้าเล่าเนี่ยพระเจ้าเล่าเองว่าเดิมทีเดียวเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้คือตอนปฐมมบงของพระองค์โน้นสมัยพระเจ้าโอกะกากราช เป็นปฐมมาวงแต่ว่าลําดับที่เท่าไหร่มาถึงรพระเจ้าเนี่ยเราก็ดูไม่ออกเพราะว่ามันนานมากที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนมาขนาดพระเจ้าเสยเสนะแล้วก็พระเจ้าสี น, นุเราก็ลงมาที่สิท ธ, ธัตถะลงมที่ราหุ่น น, นี่สามสี่ชั่วตนเองเราคเคยเรียนเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าระหว่างพระเจ้าโอกระกา ก, าการาชมาถึง พระเจ้าชัยเสยนาเนี่ยมันมีลําดับมาเท่าไหร่กี่ชั่วอายุคนเนี่ยเราไม่รู้แต่วิธีการเรียงประวัติศาสตร์สมัยโบราณเนี่ยถ้าเราดูคำพีอันอานกุรานก็ดีคมภีอ่อนเทตเมนต์ก็ดีนะฮะจะเรียงลักษณะเนี้ยยาวมากเลย่คนนั้นเป็นลูกของคนนั้นแล้วจะได้ ต, ต่อกันมาเป็นแถวยาวเหยอะข้าพระเจ้าก็จะมีมีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าท่านไม่เรียงมาก แต่ว่นในที่บางแห่งขยายนะฮะจะขยายชื่อพระราชกุมาทั้งสี่ 5, พระจุรีทั้งห้าพระจุรสพระจิดาขงพระเจ้าโอกากากราที่อพยพไปสร้างเมืองใหม่กราจาสังหาเหล่านี้มันถูกพรามแปลงที่มาแปลว่าฆ่าตะกี้นี่นะแต่ที่จริงไม่ใช่ก็เรียกว่ายุค ข, ของของพระพุทธเจ้าเนี่ย พรามคนเนี้ยพรามณ์พรมณ์คนเนี้ยต่อมาที่เป็นเป็นเป็นลูกเขยเป็นอะไรล่ะเป็นลูกเขยของพระเจ้าโอกากรกคาร่าแต่ว่ า, าไปได้กับทิดาของสนมก็ถือว่าลูกเขยนะฮะเป็นราชบุตรเขยเป็นพรามณ์เป็นพราหมณ์พวกกันหักโคตรกันหักโคตในสมัยพุทธกาลก็มาลําเลิกกันในเรื่องอัมพตสูตรเนี่ย อันวัตูุนี้ก็การหาโคตรกันหะแปลว่าดำนะครับกันหะนี้แปลว่าดำแต่ฉลาดคนนี้ฉลาดมากแต่ว่าแกมโกงนะก็ใช้วิธีการต่างๆเยอะจนจนได้เป็นพระจุตรบเคยของพระเจ้าโอก า, าราแล้ว ก, ก็เปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ของพวกพรามหมดทั้งชุดเลยทั้งทั้งห้าอย่างแหละคือคือเดิมทีเดียวอัสเมธาเนี่ย ไอ แ, แ ก, การข่ามาบูชายันเพื่อบูชาเทพเจ้าตามพิธีอัโซเม็แล้วก็หมายถึงการบูชาด้วยสมบัติทุกอย่างเว้นที่ดินและคนเขาตั้งเสายันยีสบเอ็ดสาสำหรับผูกสัตว์ที่จะต้องฆ่าประมาณห้าเก้าสบเจ็ดตัวนะเป็นอย่างน้อยห้า็ตัวหาอเจดชนิดหรือไม่แล้วก็ เขาตั้ง เ, เพื่อบูชายันแล้วทําการบูชายอยู่หลายวันกว่าจะเสร็จพิธีบางแห่งเนี่ยเรียกว่าสัตสเมธาทีนี้ไอ้สัตสเมธะก็ดีอัศเมธะก็ดีนะครเมธะเนี่ยแปลว่าค่าก็ได้แปลว่าวฉลาดก็ได้นะเ ม, มทีนะฮะเมทีก็คือนักปราชญ์ก็ได้บัณฑิตก็ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงมาอธิบายใช่ไหม อธิบายว่าคำว่าศัตรเมธะที่แปลว่าเข้ากล้าเนี่ยนะหมายความว่าเป็นการฉลาดในการทนุบำรุงงานอาชีพของราษฎรซึ่งสมัยนั้นก็คือเกษตรกรรมเกสิกรรมเกษตรกรรมนะพาณิชยกรรมและโครน ก, กรรมแล้วการค้าขายด้วยคารวานก็อยู่ในพวกพาณิชยกรรม เพราะมันกลายเป็นราชสังกัคือหมายความว่าทางบ้านเมืองเนี่ยดูแลราษดรด้วยการาส่งเสริมสนับสนุนงานอาชีพของรอัษดรแล้วก็หาตลาดให้ราษดรรัศดรผิดไปรัฐมีหน้าที่ให้หาตลาดให้นี่ก็เรียกสัตสเมธาหรืออัศเมธะเมื่อก่อนก็ข้ามานะฮะข้ามา ในที่นี้ศัตรีเป็ปว่าเข้ากล้าได้นั้นก็บำรุงการเกษตรกรรมเป็นต้นนะฮะคือมาก็อาชีพ ร, รัฐดอนพึงแงว์อาชีพ ร, รัษฎรคือพวกนี้ถ้าเราเราจับประเด็นให้ได้คือจะเข้าถึงสารัธรรให้ได้นะครหนังสือแต่มาเรียบเรียงเรื่องที่จริงเน่ยเนื้อหาเป็นการบริหารการจัดการองค์กรทางพระพุทธศาสนาเราก็ตัวนี้เป็นหลักนะฮะ เราจะเห็นว่าตรงนี้ถ้าเราตีให้แตกขบให้แตกยังทันสมัยเปี้ยอะไรในปฏิบัติทันสมัยมากมากเราเห็นว่าเวลาเนี้ยบางทีราษฎรเนี้ยราฐสเดิธอผิดอะไรจนถึงจะส่งออกนอกแล้วส่งนอกแล้วต้องวิ่งหาตลาดเองทำให้ต้นทุนเนี่ยมันสูงขึ้นเพิ่มขึ้น แต่ทีนี้ถ้าหากหากว่ารัฐไปดักบริการนะมีทูตทางพานิชย์อยู่ในส่วนต่างๆของประเทศไปประสานงานติดต่ออะไรกัหาตลาดให้แก่ราษฎรหาโค้ต้าต่างๆเราก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตอะไรอย่างสินค้าโอทอปไปได้เนี่ยคับสินปลาที่พิเศษยังยังนั่งนึกย้อนก่อนว่าเ อ, อเพวกนี้น่าจะยำรวมกันนะน่าจะยำรวมกันแล้วก็ช่วยกันพัฒนาสร้างสารรค์บุกเบิก จนถึงกับเรียกว่าเป็นหนึ่งฮะอะไรเป็นหนึ่งก็ขึ้นไปเลยประกวดทุกปีเป็นหนึ่ง ก, ก็ก็ยกไว้แล้วเอามือระดับมาตรฐานตรงนั้นมาผลิดสินค้าเข้าไปแข่งในตลาดโอ้ยไปได้เยอะนะพวกเนี้ยอย่าลืมอาชีพมันเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าสาระถาก็คือส่งเสริมอาชีพของราษฎรคำมันสั้นๆเท่านั้นประการต่อไปเาเรียกปุริสเมต t แนแกการฆ่าคนสวนมากเป็นเฉลยสงครามเพื่อบูชาเทพเจ้าที่ทำให้ตนชนะสงครามนะฮะแต่ส่วนส่วนหนึ่งก็บูชาเจ้าแม่กาลีเอ่อในสมัยโบราณนี่เล่นแรงเคยมีการจับพระเจ้าโริษาทเนี่ยเคยมีจับกษัตริย์ปานเล็กเมืองน้อยถึงร้อยกับหนึ่งองค์กือบร้อยเอ็ดมามัดเพื่อจะบูชายัน บูชาเทพเจ้าประจำต้นไสโดยเข้าใจว่าต้นไสเนี่ยทำให้ท่านได้เป็นได้เป็นกษัตริย์ไม่ใช่พระเจ้าปริษัต์หรือเป็นพระเจ้าปริษัต์อีกเรื่องเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการแสดงเีกว่าปุริสาเมีฐานี่แรงนะเล่นแรงมากเลยแล้วก็ทำกับเฉลย แต่ที่ ja ๆๆทำมาจริงๆก็คือการบูชายันด้วยสมบัติทั้งปวงรวมถึงที่ดินแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงการฉลาดในการมาบุญคนบ้านเมืองเราเนี่ยเราเห็นว่าคนมากแต่ก็จริงเราก็ไม่มีคนถ้าเราสังเกตว่ามาคุณกับนักกฎหมายอยู่สองคนเน่ยนะับเคยทางานร่วมกันมาหลายเรื่องเนี่ยคุณมีชัยริชูพันธ์กับดรวิษนุเกลี์งามในความเชื่อเขามากนะฮะ คือหมายความว่าถ้าเราติดขัดเรื่องะไรก็โทรไปคุยเลยเดี๋ยวก็ตอบให้แล้วปรากฏเราไม่ใช่เราเชื่ออยู่คนเดียวเห็นไมวิทย์คณะปฏิรูปก็เจิญไปทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นมือกฎหมายมันนานเหลือเกนะินสองคนเนี้ยมือกฎหมายเยอะในบ้านเราอะแต่ปรากฏว่าเอาข้อจริงมันไม่มีคือไม่มีมากพอที่จะใช้งานระดับต้องการชำนาญการ เพราะนถ้าเรารู้จักเลือกคนเนยคับเลือกคนแล้วก็สร้างคนด้วยนะบริษัทเมทัศนนั้นรู้จักสร้างคนด้วยแล้วมาชื่นชมความคิดของคุณธนินธนินเจีนวนันนะุเนี่ยะฟังรังโทรทัศน์ก็ประโยคสั้นๆแต่ชอบมากความคิดอย่างเงี้ยชอบมากคนดีในโลกนี้เป็นของสี่พี่นเยี่ยมที่สุดด้วความคิดอย่างเงี้ยไม่มีการกีดกันแหละเธอเป็นชนชาติไหนไม่เกี่ยว เธอเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถมีฝีมือมีวิสัยทัศน์เอามาเลยจ้างทําโครงการมาเสนอโครงการสักข้านอะไราะไรกันแล้วก็มอบโ อ, โอโกระย า, ยายองค์การอะไเยอะเลยคือระดูดเอาคนดีเข้ามาเป็นพวกแต่ีสังคมเราเนี่ยมันมันมันแย่ที่ว่าใครดีไม่ได้ใครได้ไม่ดีใครดีประค่าทิ้งหมดเลย อย่างที่บอกว่าพี่บ้าพี่บุญอะไรแต่ในประวัติศาสตร์ของเรานี่ยจริงๆมันมันน่าอับอายมากในประวัติศาสตร์นี่มีเรื่องบางเรื่องที่น่าอับอายมากมันเรื่องอะไรกันขงนั้นาหละเอาคนดีมาช่วยดูแลบ้านเมืองถ้าเราสามารถน้อยกว่าเราก็สนับสนุนขาวถ้าเราสามารถมากกว่าคนอื่นก็สนับสนุนเรา แต่ว่าสังคมเราเนี่ยอามาก็โตมาเจ็ดสิบสามปีแล้วนะฮะคือมองสังคมด้วยความไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายใจสลดใจนะสงสารฮะโหถูรู้ใจที่ว่าเป็นสังคมทำลายคนดีแต่ไม่ใช่สังคมไทยนะโลกมนุษย์เป็นอยแบงนี้แใครดีใครเด่นใครดังขึ้นมาเอาตัวรอดแยก พนรัฐาฏาเมสัยอาตั้งแต่มีศาสนาคริสต์ขึ้นมาก่อนจะมีศาสนาคริสต์และก่อนพระเยซู ร, รับการยอมรับว่าเป็นเมสัยอาโอ้โหมันฆ่าคนตายซะเยอะเลยเห็นไหมพระเยซูก็โดนตรึงไม่กันเขนเพราะว่ามันดีเด่นดังกว่าพวกฟาโร่ทั้งหลายนี่คืออันตรายของโลกมนุษย์เพราะบุริศเมีธาตนี่คือต้องต้องต้องดูชื่อว่าคุณมีความสามารถเรื่องอะไร และสามารถทำอะไรได้ดีได้ดีกว่าได้ดีที่สุดต้องเอาคนคนนี้มาทา ง, งานในวงการพระศาสนาเนี่ยเราบีบจนไม่มีตัวเลือกตั้งกฎตั้งเกณฑ์อะไรขึ้นมาเละจนไม่มีคนนะพระเนี่ยมันไม่มีคนนะคนจริงๆพระที่คนทำงานได้จริงๆประมาณไม่เกินเจ็ดหมื่นะทั้งประเทศและอยู่ทุกเรื่องเลยแล้วก็ยังบีบอีกนะฮะพวกเราเขตภาคเรา จังหวัดเราแล้วตัวูนะเอ็นดูเลยคนเจ็ดหมื่นเนี่ยถ้าเราคัดสรรเป็นเนี่ยเราก็มีคนที่มีคุณภาพเยอะแต่ไม่ยอมคัดสรรเพราะเหตุว่ามันไม่ใช่พวกเราประเทศไทยเราก็เหมือนกันแลหละเพราะในระบบ ก, การคิดพรรคการเมืองเนี่ยท่าลองสังเกตพรรคการเมืองในที่จริงเขาเรียกว่ารพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรค แต่อย่าลืมว่าคนหนึ่งพักเนี่ยมันไม่ได้มากอะไรมันอาจจะมีคนดีที่ไม่ได้เข้าพักทําไมไม่เปิดสนามไม่กว้างอ่ะเปิดสนามไม่กว้างใครก็ไม่รู้แบบคนไทยอะ่ะแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมาสมัครผู้แทนก็ได้มันทํางานคนละอย่างนผู้แทนเราเป็นนิติบัญญัติเนี่ยผู้แทนเขาเลือกมาเพื่อทํางานด้านนิติบัญญัติ แล้วเราก็หาทีมบริหารนะก็มาประสาน ง, งานกันและพอเราเกิดอย่างนี้เราใจถึงว่ามีตัวเลือกเต็มประเทศเลยแต่คิดยากะนะคิดยากเพราะว่ามันติดกรอบเห็นไหมอย่างอเมริกาก็สองพักเนี่ยเฮปาเฮมาเนี่ยมันมีคนที่ดีดกว่าท่านเหล่านี้ไหมมันก็มีอะแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะนั้นปริษัะเมธะจึงเลือกที่ไม่คิดว่าเขาเป็นใคร แต่คิดว่าเขามีความรู้มีความสามารถมีความคิดอา่านมีคุณธรรมอย่างไรแล้วก็เลือกคนเหล่านั้นขึ้นมาประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าสัมมาปาสะได้แก่การโยนไม้ลอดบ่วงไม้ตกตรงไหนก็สร้างเวทีขึ้นตรงนั้นแล้วก็ตั้งเครื่องบูชาบนเวทีแต่ทําให้เป็นวิธีการขึ้นเออเป็นเป็นเป็นเวทีที่เื่อนที่ได้เหมืองกระแพ ผ, ผู้บูชาก็ดำลงไปในแม่น้ําสารดบดี โผลขึ้นตรงไหนก็ทำพิธีทวนกระแสน้ำขึ้นไปตรงนั้นทางพุสนาก็มาปรับเป็นหลักการส่รงเสริมงานอาชีพของราษฎรที่ยากจนโดยการลงทุนให้มีระยะปลอดหนี้แล้ววันหนึ่งเนี่ยค่อยผ่อนค่อยผ่อนให้แก่องค์กรตรงนี้มีลักษณะคล้ายๆกับเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกองทุนอะไรแล้วก็พอราษฎรมีผิดผลที่ที่ สามารถบริโภคได้และขายได้แล้วก็เอากาไรส่วนหนึ่งเนี่ยมาแบ่งมาใช้คืนในแก่รัฐโดยโดยตอนที่กู้เนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีมมมมดอกแต่มาความเอาทุนมาคืนแล้วก็ทุนนี้ก็ตั้งเป็นทุนกลางเพื่อช่วยคนต่อไปช่วยคนต่อไปช่วยคนต่อไปก็กลายเป็นรัฐลงทุนเป็นครั้งแรกแล้วประชาชนก็มาช่วยประชาชนในการต่อมาทาได้นะถ้าเราทาได้เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งต้องทาเลย เราอ่านทบทวนเถอะว่าทศพิ ร, ราชธรรมราชสังะหะจั ก, กรวัดิวั ต, วตเนี่ยถ้าเรามาทำความเข้าใจให้ชัดว่าคนที่มาปกครองบ้านเมืองต้องมีฐานะทางเศรษฐกิจดีแล้วก็มีความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองมารับใชา้ชาติบ้านเมืองไม่ได้คิดว่าตนจะได้อะไรเพราะตนมีได้แล้วแต่ว่าเราจะทาอะไรให้แก่ชาติบ้านเมือง ท่านบ้านเมืองจะได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นของเราเพราะงะั้นถ้าถ้าทำได้อย่างนี้เวีานี้เขาเรียกอะไรธรรมาพิบาลแต่พูดกันกันที่ยะไปหมดเลยไม่ต้องพูดมากขนาดนั้นก็ได้ให้มีหลักให้มีหลักหเนี้ยนะให้มีหลักทศพทิจะธรรมโยภายในไวใจเนี่ยบริหารอะไรก็ได้วาชับเปยยะ พระเจ้าเปราาย่าเป็นการเดิมทีเดียวนะฮะเป็นการฆ่าสัตสิบเจ็ดชนิดตั้งเสาไม้มาตูมสิบเจ็ดสาและเพื่อเป็นหลักสมบูสัตสมบูชาเทพเจ้ามีการดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพิธีนั้นด้วยพูศนาอธิบายถึงหลักการประชาสัมพันธ์การชี้แจงการทําความเข้าใจกับอาณาประชารสชนไปราชาสังขานะฮะเป็นธรรมะสำหรับพระราชาและการประชาสัมพันธ์เราจะเห็นว่ารัฐบางไทยเนะี่ยทุกยุคทุกสมัยการประชาสัมพันธ์อ่อน แล้วตามเรื่องไม่ทันเรื่องบางเรื่องปล่อยมันเกิดคาคาแผ่นดินอยู่ได้ทั้งเป็นเป็นเป็นหลายๆเดือนไม่อธิบายไม่ชี้แจงไม่อะไรประการต่อไปแปลกที่มันไม่อยู่ในราชสังฆ า, าทางที่จริงๆนี่เขาอยู่ตอนยันยตรนี้เขาอยู่เขาเรียกว่านิรักละนิรักขละแปลว่าปราศจากอุปสรรคอันตรายขัดขวางในเชิงเหตุก็คือ ในทางพุณศนาว่านะเมื่อก่อนเรรื่องสับพเมธะอันนี้ฆ่าแรกเลยแต่จริงๆนี่คือการกำจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆชันจะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองปัานาอุปสรรคคืออะไรบ้างหนึ่งสองสาสว่าไปกำจัดให้หมดแล้วจนบ้านเมืองนี่อยู่เย็นเป็นสุขอาณาประชารัฐดรไม่ต้องมีใส่กุญแจประตูนะลิมสลักก็คือปราศจากลิมสลักนิรักคละนี่ปราศจากลิมสลัก ก็ปิดประตูไว้เฉยๆไม่ต้องติดกุญแจก็ได้ไม่มีโจรผู้ไดเป็นโลกของมัสีอานไปหน่อยนะแต่ว่าด้อควังทัง้งหลายจะเห็นว่าของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรล้าสมัยเลยแต่เราไม่มองดูเราไปตามขาลังก็่งต่อต่อต่อจุดไม่รู้จะไปถึงไหนกันละ่ะต้องวังทังหลายเสียงทําจากมาวิลัยศรีปทุมในวันนี้ข อ, อุติไว้ด้วยเวลาครั้ง น, นี้ ที่ส่วนนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี